กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาอารมณ์แบบที่เราปฏิบัติเนี่ยให้ชัดเป็นหลักๆเอาไว้ง่ายๆว่าอารมณ์รูปนามมาเน้นที่ความรู้สึกหนักเบาหรือกายใจเนี่ยให้ชัดเป็นนิสัยขึ้นเรื่อยๆนะต่อมาอารมณ์รูปนามนี้ก็ค่อยไวขึ้นไวขึ้ น, ไ ว, นไวขึ้นเรื่อยๆการไวขึ้น การพัฒนาอารมณ์ของรูปนามก็คือการระลึกได้เร็วขึ้นรู้สึกได้เร็วขึ้นนะจิตรวมปัจจุบันได้เร็วขึ้นมีความเพียรของเราที่เราขยับทุกขั้นตอนเพื่อที่จะเอาใจมาใส่ไว้ในปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆเพราะว่าเราได้ปล่อยจิตออกไปด้วยอำนาจสัญชาตญาณมาไม่รู้ยาวนานเท่าไหร่นะ พอในตัวที่จิตมันออกไปเนี่ยเราไม่ต้องได้ไล่มันออกไปมันไปเองแต่ตัวดึงกลับเนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องอมีเจตนาตั้งใจซิ่งก็ในวันนี้นะที่เราก่อนที่เราจะพูดถึงบทเรียนประจำวันเคลี่เมื่อวานเรื่องของช่วงเย็นเราพูดกัน มากถึงเรื่องของวิปัสสนนะซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจชัดเจนเนี่ยเราก็อาจจะคิดไปตามที่อาการที่มันเป็นเราไปเห็นคนไหนที่ชอบผู้ชอบคุยชอบสอนก็เป็นวิปะสะัสสนเนี่นะต่บางคนที่ที่เป็นทำไปแล้ว มันมีการเปลี่ยนแปลงในการรู้นั้นรู้นี้บ่อยๆควาชีวิตพิศนุไม่ได้เกิดง่ายๆนะมันต้องตั้งถ้ารู้อารมณ์รูปนามขึ้นไปต่ อ, อรวมปรมาทิตถ้าความเพียรของเราต่อเนื่องจริงๆเมันถึงจะเกิดวิพัสนุแต่วิปัชนุนี้เป็นผลดีนะวิพัชนุเป็นมักนะวิปัสนาเนี่เป็นผลแต่ว่ามักตรงนี้ถ้าหากว่ามันไม่มีการไม่มีเอาคํา รู้พื้นฐานไว้บ้างเนี่ยมันก็จะพาะเลิดนะเพราะว่ามักทุกมักเนี่ยมันอาจจะส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นผลไปทุกทุกเรื่องเหมือนดอกมะม่วงนะที่มันเป็นมาเป็นเต็มเป็นช่อใหญ่เนี่ยก็มาในความว่าทุกช่อมันจะติดลูกหมดนะในร้อยหนึ่งมันก็จะติดอยู่ไม่กี่ลูกอะนอกกนั้นก็หล่นไป พออะไรพอมรคบางตัวมันไม่เข้มแข็งมันก็หลุดหล่นไปมรคบางตัวส่วนน้อยเนี่ยที่มันเข้มแข็งเนี่ยอมันเป็นหลักธรรมชาติมากๆเลยอย่างเราเนี่ยเรารู้หลักธรรมชาติว่าพ่อแม่ของเรามีใข่เป็นเหมือนตัวเป็นล้านตัวเหลือมาอยู่ตัวเดียวคือเราเนี่ยรปนผลอะนอกนั้นเป็นมรคหมดนอกนั้นก็หลุดล่วงไป <c oughs> เหมือนกันที่เราทําความเพียรเยอะๆเนี่ยเป็นมรรคแต่ในส่วนไหนที่มันเป็นผลมันก็จะรวบรวมกําลังของมรรคหลายๆตัวเนี่ยเป็นกําลังของผลนั้นความรู้สึกตัวที่เรารู้สึกเก็บแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยที่มันเป็นทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ในการยกแต่ละครั้งในการยกความรู้สึกที่มันชัดเจนมันสมบูรณ์นี้จริงเนี่ย ในร้อยหนึ่งจะมีสักเท่าไหร่ถ้ามันสมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์มากเกินไปมันก็ก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งคือสมบูรณ์พอดีของมันน่ะสมบูรณ์พอดีของมันมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นผลไปส่วนไหนไม่สมบูรณ์หรือบกพร่องมันก็จะหล่นไปหรือบางทีไม่หล่นแต่มันก็ไปรวมกันเป็นเป็นพลังของตัวตัวรู้ที่ชัดเจนขึ้นเพราะนั้นตัว สมตัวที่เน้นด้วเสมอถให้รู้ชัดเอาไว้ก่อนสองให้รู้พร้อมสมให้รู้ในลักษณะที่แยกออกไปให้เห็นรายละเอียดที่ว่าทั้งประชานาติสัมปชจานะกะลีและสิกขติคือทั้งสัมปัะชาน ะ, ะก็คือรู้ชัดชัดทูกตัวพร้อมสัมปัจจานะแล้วก็พอเข้าไปถึงจิตมันก็เข้าไปดูรายละเอียด วันนี้ความคิดมันเข้ามากี่เรื่องแต่และเรื่องเป็นกุศลและอกุศลเท่าไหร่อย่าแล้วก็แต่และเรื่องที่เข้ามาเราแก้ไขได้แค่ไหนแก้ไขไม่ได้แค่ไหนเนี่ยที่ต้องอาศัยเฉพาะรู้ชัดรู้พร้อมนี่ไม่ได้ละต้องอาศัยต้องรู้เรื่องกายสิกขิต้องศึกษานะก็ใช้สากาศเนี่ยามมากกถ้ามันรู้กายเวทนาเนี่ยใช้เสร็ สติสัมมาชน ญ, ญาพอไปรู้เรื่องจิตและอารมณ์นี่ใช้ปัญญาคือการศึกษาสิกขิตอนึง น, นั้นในแต่ละอาการที่เราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึก3าอย่างนี่แหละควารู้สึกชัดความรู้สึกพร้อมไหมความรู้สึกดูรายละเอียดลึกเข้าไปถึงใจไหมถ้าหากว่าสาอาการนี้มันเข้าไปตัวอณิจังทุกขังหน้าตาก็ถูกเปลี่ยนละ โดยมีสามอาการนี้เป็นตัวแปรตัวรู้ชัดตัวรู้พร้อมตัวรู้แบบเห็นละเอียดลงไปในอารมณ์ในจิตถ้าตัวรู้ชัดมันแปลงมาเป็นตัวศีน่ะตัวรู้พร้อมมาเปลี่ยนเป็นตัวสมาธิถ้ารู้แยกแยกเห็นชัดในอาการคนจิตก็เป็นตัวปัญญาสีนั้นปัญญาก็ถูกแปลมาจากตจลักคืออั น, นิีจังทุกครั้งอั น, นิีจังรู้ให้ชัด ทุกครั้งรู้ให้ทั่วต้องการรู้ให้ทั่วและอนัตตารู้ให้ละเอียดนะเพราะนั้นเวลาทุกครั้งเวลาเราเคลื่อนไหวถ้ามันมีสามตัวทำงานพร้อมกันปั๊บมันก็ออกมาเป็นผลที่ก่อให้เกิดตัวเป็นวิปัสนาไปบางคนที่ทำตรงนี้มากไม่ผ่านวิปัสนูเลยก็มีนะแต่ในกรณีเป็นวิปัสนูนี่เาคนนั้นมีคุณสมบัติทางจิตมาหลายอย่าง มันก็จะ ไ, ไปถือว่าเป็นวิบากก็ได้แต่ถ้าเข้าผ่านวิปสัสสุตตรงนั้นคนนั้นก็จะมีคุณสมบัติมากกว่าเพราะท่านถึงแยกเป็นการสิงสภาวะต่างๆว่าเป็นวิชาสามอภิญญาหปฏิสัมพิทาสี่แล้วก็สุขวิปัสสกะพวกนี้สุขวิปัสสก ะ, ะ น, สสกะนี่เขาไม่ต้องผ่าน วิปัสนูเลยวิปัสนูเพราะว่าก็ไม่มีวิบากแต่วิบากนี่ยจะเป็นผลดีตรงที่ว่าถ้าผ่านมันได้มันก็ให้เกิดคุณสมบัติทางจิตถ้าไม่ผ่านก็เพี้ยนใช่ไหมันก็เพี้ยนไปแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีวิปัสนูเลยคือนิสัยที่สงบเยือกเย็นมีคุณสมบัติมีพื้นฐานมีอะไรดีเป็นคนดีอะนะเป็นคนดีมา ก, มากเขาไม่ต้องปเป็นวิปัสนูเพราะความดีพื้นฐานเขาเนี่ยวิบากเหล่านี้ไม่แรง ก็เป็นสุขาวิปสัสกะพวกนี้ก็ไม่มีคุณสมบัติอะไรแต่ว่าจิตมันพ้นทุกข์เฉยๆ็เรียกว่าเป็นเข้าถึงแบบแห้งแล้งอะไรอ่างแต่พวกได้วิชาสามวิญาหกปฏิสัมพิธานี่ก็ต้องผ่านวิปัสสนูกันหลายรอบแล้วในความวิบากเนี่ยสามารถที่จะเป็นเป็นสมบัติได้สมสมบัติได้ แต่ยังไงก็ตามลักษณะของการติดวิปัสสนรอย่างที่อาจารย์ประสันว่าเมื่อคืนมันเป็นหลักวิชาเป็นหลักวิชาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเหลือไม่กี่อาการเช่นว่าทำให้มันรู้อะไรผิดแปลกแตกต่างไปที่มันมันรู้แจ้งรู้ชัดผิดปกติแล้วก็มีความอยากในไฟดีไฟที่จะให้คนอื่นได้อย่างที่เราได้เนี่ยมันแรงเป็นพิเศษคนไข้แค่คนอื่น นะแล้วก็ความเพียรนะเป็นความเพียรที่ค่อนข้างจะยิ่งทำยิ่งสนุกอะ่นะยิ่งทายิ่งสนุกมันก็เล่งเล่งเล่งใส่ถ้าหากว่า <c oughs> ไม่มีการปรับผ่อนตรงนั้นปั๊บมันก็เตลิดไปความเพียรมันก็มีหลายๆอาการทั้งหมดแต่หลักๆมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหลนะทำให้ทาความเพียรมาก ทำให้เกิดความมั่นใจตัวเองสูงพยายาปรารนาอยากคนอื่นให้ได้รู้อย่างตัวเองแล้วก็ไปรู้อะไรผิดแปลกแตกต่างพิเศษเหมือนค น, คนไม่รู้ความรู้อะไรมันมาที่ไหนไม่รู้รู้เยอะแยะไปหมดนะจนกระทั่งมันเอาไม่อยู่ก็ไปรูวัสนูนนั้นเมื่ออาการเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ตรงนี้แหละบทบาทของการรู้รูปนามมันจะมีผล ถ้าทํารูปนามจนชํานาญแล้วไม่ว่าอะไรการเหล่านี้ยเกิดขึ้นซึ่งเราได้ยินได้ฟังมามากว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่มันจะทําให้มันเกินในส่วนสิ่ ง, งดีที่เกินนั้ก็ทําให้จิตเลิได้เพราะนั้นรู้สึกมันเกินไปสิ่งที่จะไปปรับให้มันพอดีที่สุดคืออารมณ์รูปนามกลับมาหาความรู้สึกตัวชัดๆสามตัวนี่แหละรู้ให้ชัดรู้ให้ทั่วรู้ให้ละเอียดวิปัสสุนมันก็ลงเอง แต่ในกรณีที่ไม่มีครูอาจารย์ท่านถึงบอกว่าให้กลับมาอาหลมรูปนามแต่ถ้าอาการเหล่านั้นยังรุนแรงอยู่ท่านบอกให้พักการปฏิบัติสักระยะไปทําเรื่องอื่นเป็นการเป็นงานเป็นในสมัยอี้มาเป็นหลวงพ่อเป็นนี่ก็อยู่ป่าสักกตูเนี่ยก็ไปทํางานนะสมัยนั้นเราไปอยู่ในช่วงปลายฝนตุลหนาวเนี่ยป่าร่มกรอบเริ่มแห้งแล้วก็ ทำเขตการไฟรอบวัดเลยนะมือไม้นี่แตกหมดมันอารมณ์มันแรงให้มันไปออกทางนั้นออกไปการทํางานเพราะการทํางานมันเหน็ดมันเหนื่อยมันหนักมันเหงื่อไหลใครพังอารมณ์เหล่านี้มันก็ห้อยหีไปมันไปออกไปทางนั้นก็เป็นอยู่นานทีเดียวนะแล้วก็ปีสองห้าสองหก็ยังเป็นอยู่ก็เลยข้าวมาศีลังกาทําเรื่องมาเรียนต่อ ที่ศรลังกาก็มาทําความเพียรอยู่ที่นั่นเพราะว่าที่นู้นมันไม่มีบรรยากาศที่เ อ, อื้อที่จะให้เราไปพูดไปคุยไปปฏิบัติมากมายละก็มีบรรยากาศใหม่อก็พอมันผ่านไปสักปีหนึ่งมันก็ลงสนิทเลยทีพอกลับไปตั้งความเพียรหรือไปไปใหม่ที่นี่มันก็ไปได้สบายนะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนเป็นมากมากหากไม่มีวิธีแก้ตัวเองมันก็จะอย่างที่ว่า จินตยานเป็นวิปลาสไปเลยแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเอออาการนี้เป็นวิปัสสนุนล้วก็หาวิธีกลับมาสู่ปรูปนามใหม่รุบทนรูปนามใหม่แล้วก็รู้สึกมันแรงไปแล้วก็ต้องหยุดทําความเปลี่ยนไปเป็นระยะหนึ่งแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นให้มันไปให้จิตมันออกไปคือมันเข้ามามากเกินไปจิตไม่อยู่กับตัวเองมากเกินไปวิธีการคือส่งส่งจิตออกไประบายออกไป ฉันวอกเหมือนกับไอหม้อข้าวต้มเนี่ยที่เราเล่งไฟเยอะๆนะเป็นไงมันฟดฟดฟดฟดจกนกระทั่งว่ามันล้นปากนะ้นำหม้อข้าวต้มก็มาดับไฟซะเองใครอย่ายงงั้นเพราะนั้นวิธีการคือถอนถอนไฟออกเห็นท่าว่ามันจะล้นปากมก็ถอนไฟออกพอมันอ่อนแล้วเพื่อไม่ให้หม้อข้าวต้มมันมันยังไม่สุกเนี่ยค่อยไฟ อ, อ่ อ, อนไปอืม อันนี้คือวิธีการลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเวลาเราปฏิบัติ <c oughs> เราก็ทวนจากนี้ไปทุกครั้งนะไม่ใช่ว่าเ อ, อต่อจากอารมณ์ไไม่ใช่นะี่คือทวนจากรูปนามขึ้นไปรูมต้นขึ้นไปเหมือนเรืองการท่องหนังสื อ, อถ้าหากว่าท่องไปครังหน้าเรื่อยๆไม่ทวนข้างหลังข้างหลังก็ลืมได้หน้าลืมหลังดังทุกท่องทุกครั้งอตั้งต้นใหม่ขึ้นไปมันเขาท่องปฏิมุกตั้งต้นใหม่ขึ้นไปมันก็จะเห็นหน้าเห็นหลังอารมณ์ วิปัสนาเหมือนกันทุกครั้งที่เราปฏิบัติก็เริ่มทวนตั้งแต่รูปนามขึ้นไปรูปนามคือรู้กายรู้ใจชัดนะรู้กายรู้ใจพร้อมนะรู้กายรู้ใจรายละเอียดแล้วก็ตายขึ้นไปแล้วจิตของเราก็จะมีฐานรองรับมันก็จะไม่หลงทางเพราะนั้นเส้นทางของจิตที่เราเดินบ่อยๆมันก็ชํานาญว่ามันจะเฉี่ยไปทางไหนมันจะคือคลองคลองทางที่เราเดินที่เป็นเป็นประจำเนี่ยคือทางของรูปนาม แล้วก็ไปดูเวทนาไปดูกายไปดูเวทนาทางกายไปดูอาการของจิตไปดูตัวรู้ที่เกิดมาจากจิตนะถ้าหากว่าเราเรียบเรียงไปงี้ปั๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นปับ๊บมันก็จะเห็นทางของจิตว่ามันจะหลงก็จะกลับมาทางไหนมันจะไปข้างหน้ามันจะเดือดรอกไปทางไหนก็กลับเข้าม า, าถูกทางกลับบ้านถูกเทือะ อันนั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้คือไม่ต้องกลัววิปัสสนุนเป็นผลดีได้ซ้่งไปถ้ารู้จักมันนะคุณสมบัติทางจิตมันมีเยอะแต่ว่าเราบางทีมันมาเยอะเกินแล้วฐานตั้งรับมันไม่พอมันสร้างแทงน้ําเติมน้าไปเยอะแต่ว่า้เสาข้างล่างมันเล็กๆ ก, ก็พังลงมาวิธีการเราก็ต้องรู้ฐา น, นนะรับนะหรือจะเอาอะไรไปวางฐานที่ไม่แข็งแรงแต่ฐานไม่แข็งแรงก็สุด ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นการตอกยําทุกครั้งตอกยําตั้งแต่รูปนามคุณไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ชัดแบบสบายความเพียรก็อยู่ที่ว่ารู้หนักรู้เบาถ้ามันหนักมากมันสั่งสมหนักมากร่างกายเราก็จะมีเวทนาแรงเพราะมีเวทนาแรงท่าว่าศรัทธาความเพียรอยสูงมันสู้เวทนาสู้เวทนาจิตมันก็ไปอีกทางนึ่ง ก็ลดลงมาเพราะฉะนั้นปรับความสมดุลของรูปนามคือรู้หนักรู้เบารู้สบายไม่สบายสลับมันไปให้ชัดไม่ให้มันเกินไม่ให้มันสบายเกินไปไม่ให้มันาลาบากเกินไปไม่ให้หนักเกินไปไม่ให้เบาเกินไปมาปรับตรงนี้ให้พอดีอารมณ์มันก็จะไปข้งมันได้พอดีแต่เนื่องจากว่าบางคนะมีวิบากกรรมเรื่องโลภแรงโกรธแรงหลงแรงถ้า ไ, ไปได้อารมณ์กรรมฐา น, มนก็แรงเหมือนกันทีนี้อันนี้คือเป็นวิบาก โลภ ก, ก็อยากจะทําได้เยอะๆอยากจะรู้ได้เยอะถ้ามันดีถ้ามากกว่านี้ก็เล่งทําความเพียรอันนี้วิบากของความโลภวิบากของความโกรธบางคนเข้าไปในความคิดทางด้านฝ่ายอกุศลบางคนเคยผูกอาฆาตมาดลายกับมิดกับฝูงเคยโดนตีโดนทำร้ายมาก่อนพอมันเข้าสู่ตรงนี้ปั๊บในอารมณ์นั้นมาขึ้นมาชัดมากเลยเกิดอาการโกรธขึ้นมาอย่างไม่รู้นึกตัวที่วัดหลวงพ่อหลพระ าบางองค์จะจุดไฟเผากุฏิแล้วมันโกรธเพื่อนขึ้นมาในกุฏินี่นเก็บอารมณ์เพราะว่าความโกรธขึ้นมาเราไม่อยู่ใช่ไหมความแค้นที่มันเคยมีอะไรกับใครมาก่อนพอเข้าสู่ลมนี้ปั๊บมันเกิดขึ้นมาร้อนไปทั้งตัวนะเพราะฉะนั้นอาการของโรคโกรธหลงจัดเวลาไปปฏิบัติมันก็จัดไปอีกทางหนึ่งแกลง้งกันเดียวกันแต่เออมันไปนไปทางกุศลแต่มันเกินไปมันก็ตีกลับมาหากุศลมันเดิม ดังนั้นรายละเอียดเหล่านี้เรารู้เอาไว้เผื่อว่าเราจะได้ปรับถูกเรื่องร่างกายเรื่องรูปเรื่องน้ําให้ปรับสมดุลกันมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยเป็นวิปัสสนุมากพอแล้วเพราะมันมีข้อมูลมีอะไรเยอะเรามีทางออกเยอะกว่าสําหรับคนที่มุ่งทำในสมัยก่อนไม่ค่อยมีอะไรมากก็มุ่งทำอย่างเดียวมุ่งทำในความเพียรอย่างเดียวไม่ค่อยมีอะไรมากวนมันก็ทําให้ถ้าเป็น อารมณ์ก็เป็นแหลง่งควต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอารมณ์วิปสัสสนูจินตญาณมันจะเกิดจริงๆก็เมื่อความความเพียนต่อเนื่องระหว่างช่วงต่อเชื่อมระหว่างอารมณ์รูปนามไปสู่ อ, อารมณ์นามรูปแในอารมณ์ประมัดในช่วงนั้น <c oughs> หลังจากที่คนได้อารมณ์รูปนามแล้วนะเนี่ยมันถึงจะเข้าเขตของวิปสัสสนูถ้ายังไม่ได้อารมณ์รูปนามหรืออารมณ์รูปนามไม่ชัดเนี่ยมันก็จะไม่เป็นนะ ตอนนั้นอันนี้เราให้เขา้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นนะทีสำหรับวันนี้สิ่งที่เราน่าจะต้องเรียนรู้ต่อเมื่อวานพูดถึงเรื่องบทเรียนเมื่อวานพูดถึงเรื่องอะไรปรับสมดุลระหว่างความสบายไม่สบายเป็นกลางนี่นะว่าตัวนี้เลือดไปหาตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนไปตัวนี้ได้อย่างไรเนะมื่อวานเราก็สังเกตเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้าง แต่ว่าถ้าบทเรียนตรงนี้มันชัดขึ้นก็หมายความว่าเราเห็นอาการของรูปนามชัดขึ้นเรื่อยๆเห็นอาการของนามรูปความคิดชัดขึ้นเรื่อยๆและสามารถแยกนามออกมาตัางหากว่าต้องการเท่าชี้จะอยู่กับนามเฉยๆคือดูรู้สึกเฉยๆเนี่ยจะอยู่ได้นานไหมแล้วมีตัวอะไรมันเข้ามาเป็นอุปสรรคเราคอยเฝ้าดูลักษณะอย่างนี้คือให้เห็นเห็นเป็นชัดเป็นอย่างอย่างไป าบางครั้งถ้าหากว่าไม่เห็นชัดเป็นอย่างๆอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเราไม่รู้จะจับจิตไปทันไหนถึงจะถูกนะนั้นเห็นรูปนามชัดก็มาเห็นอาการของกายชัดเห็นนามรูปชัดก็เห็นอาการของความคิดที่ปรากฏในจิตชัดเห็นอาการของนามชัดก็หมายถึงเห็นอาการของความรู้สึกตัวเนี่ชัดเราตั้งอยู่ได้นานไม่ค่อยมีอะไรมาแพร่ผ่านมีความสงบมีความโปร่งเบาสบาย เราก็ดูว่าจิตของเรามันไปตั้งในฐานไหนฐานรูปนามหรือฐานนามรูปวิฐานตัวรูปนามล้วนๆความรู้สึกล้วนๆแต่ในกรณีที่ถ้าติดเราเช็คจิตไม่ชัดทั้งสามฐานมันอ่อนหรือบกพร่องตัวใดตัวหนึ่งปั๊บก็จะมีนิวรณ์เข้าแทรกเขานิวรณ์แทรกปั๊บส่วนใหญ่มันจะเป็นอยู่ตรงเนี้ คือมันไม่สมบูรณ์จริงๆก็นิวรณ์เข้าแทรกพอนิวรณ์แทรกมันจะเริ่มต้นจากอะไรเราจากเพลินกับเผลอก่อนแต่รู้ว่าเอถ้าเผลอเรืเ่องเผลอเรื่องเพลินปั๊บเนี่ยมันก็จะสู่เขตของนิวรณ์ละเราก็มาปรับที่ตัวเผลอตัวเพลินอแต่ถ้ามันเกิดมาบ่อยในกรณีที่มีเงื่อนไขอเราไปทําเงื่อนไขเสียงกรรม จิตอุตุอาหารไม่พอดีกรรมคือการเปลี่ยนในยมบทไม่พอดีทําให้เผลอและเผลอได้ง่ายจิตมีความคิดเข้ามาบ่อยมีอารมณ์กวนปรุงแต่งเข้ามาบ่อยเผลอเพลอได้ง่ายอุตุดินฟ้าอากาศร้อนเกินไปหนาวเกินไปหรือว่าสบายเกินไปพวกนี้นีมันก็จะเผลอและเผลอได้อาหารที่ชดาโดนเมื่อวานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างคุณ อุ้เป็นนะมันก็ทําให้เกิดการแปรปรวนล้วเพินเผลอได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องปรับที่สตัวนี้ด้วยต่อกดอกเคล็ดต่างการเปลี่ยนแปลงของรูปนามจิตอุตตุอาหารจิตอุตกรรมจิตอุตตุอาหารกรรมเนี่ยมันมันมันเน่มาถึงกรรมอะไรโดยทั่วไปกรรมคือการกระทําที่ความเพียรของเราเนี่ยกรรมฐานนี่แหละว่าเราเราปรับ กา ร, กรทาพอดีไหมอีเดียบทยืนเดินนั่งนอนนั่งมากเกินไปหรือเปล่าเดินมากเกินไปยืนนั่งเกินไปหรือเปล่ามันไม่ปรับไม่พอดีนี่ก็ให้เกิดตรงนั้นกําจิตก็คือการปรุงแต่งอากาศอาหารก็มาพอถ้าเกิดว่ามันเผลอมันเพลินบ่อยแก้ไม่ตกก็มาดูแต่ว่าเหตุของมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลากินอาหารอิ่มแล้วมาแก้มันก็แก้ยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรีมตรู้ตั้งแต่เราไปทานอาหาร อย่งไรทังย่อมพอดีกับตัวเองนะคือมันหิวไว้ก่อนเพราะหิวนี่แก้ง่ายกว่าอิ่มเลยใช่ไหมถ้าอิ่มด้วยหูมาอาหารนี่เป็น <laughs> หลายชั่วโมงมยังไม่ลงหิวแค่พอรู้สึกหิวก็ดื่มน้ําักครั้กึบก็หายล ะ, ะมันก็ไม่หวยแต่ในกรณีที่มันหวยแล้วก็เพียอย่างอุ้มว่านะเพราะตัวเองอไม่ค่อยได้ออกร่างกายบ่อยหรือออกบ่อยแต่มันไม่หนักนะอย่างนี้นะแล้วอยัง ทานอาหารเราอัจจะทานอาหารน้อยไปก็ออกกำลังกายเยอะเพราะฉะนั้นโครงสร้างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไน้รื่สังเกตความพอดีของใครของมันเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการศึกษาวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะทั้งรูปทั้งนามคนไหนที่มีหลักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เคยเรียนรู้มาก็ยิ่งยิ่งชัดเจนเรื่องเหล่านี้ แต่ส่วนใหญ่พ่พวกที่มันเรียนวิทยาศาสตร์ตรงมันก็ไปฟุ้งแต่เรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่ทางด้านนมามธรรมมันก็เข้าไม่ลึกเพราะไอ้ตัวทางด้านวิทยาศาสตร์อาศัยรูปธรรมอาศัยนามารูปนะพอมันไปเพลินแต่เรื่องนั้นปับ๊บไอ้ตัวความรู้สึกตัวมันก็ไม่ชัดลัดเพราะฉะนั้นรู้บ้างพอจะสื่อกันถึงในเรื่องของรูปธรรมมันเป็นอย่างนี้จะเกิดจากประสบ ก, การณ์มากกว่าที่เรียนรู้โดยตรงถ้าเรียนรู้ไป็นลูกสู่โดยตรงมันฝังเข้าไปลึก นั้นเวลาปรุงแต่งปรุงแต่งไปลึกไปไกลมันก็เข้าอินได้ง่ายเพราะัะนั้นข้อมูลมันเยอะนั่นเวลาเราปฏิบัติในวันเนี้อยากจะไปทบทวนความรู้สึกสามตัวนี้อีกครั้งหนึ่งความรู้ชัดความรู้พรอ้องและความรู้ละเอียดนะคำวา่าละเอียดตัวนั้นหมายถึงธรรมวิจยะนะไม่ได้หมายถึงตัวที่เข้าไป ยกประเด็นขึ้นมานั่งคิดเดินคิดกันไม่ใช่อนันนะเป็นธรรมวิจ <nas i music plays> ัยแต่ธรรมวิจัยกับธรรมวิจาร์ต่างกันธรรมวิจารณ์หมายถึงเอาภาวะกุศลธรรมต่างๆที่ยังไม่เกิดมาปลุงมาคิดมาพิจารณาเอาอนิจจังขึ้นมาพิจารณารูปนี่ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอะไรนะเอามาพิจารณาซึ่งขณะนั้นเราก็ไม่เห็นสภาวะจริงปรากฏเราก็จะมาพิจารณาอย่างนี้เป็นธรรมวิจารณ์ ทำรรวิจัยเช่นเรานั่งไปสักพักรู้สึกอเบื่ออย่างงี้นะเราก็เริ่มจับตัวเบื่อมามาสังเกตเห็นอาการเห็นตัวเบื่อลนะหรือนั่งไปมันหนักมันปวดคือขาแล้วเริ่มจับอาการปวดที่ขานั้นขึ้นมามาดูมาสังเกตมาศึกษามาปรับอมันหายไปอย่างไรตามดูมันเพราะนั่งไปเฉพาเริ่มหนักไหม เริ่มการดูอาการที่หนักมันค่อยเริ่มเริ่มขึ้นอย่างละเอียดเราเห็นอาการในนั้นว่าเห็นว่าความไม่เที่ยง ม, มันคืออะไรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลาักษณะเห็นอาการเพราะกับความจริงที่ปรากฏอย่างเงี้ยเริ่มเป็นธรรมวิจัยตัวนี้ก็รู้ละเอียดมันเป็นปัญญานะแต่สิ่งที่ยังไม่เกิดเอามาคิดนีินะไ <c oughs> อ้ความเบือเ่อเป็นยังไงนะทั้งท่าที่ยังไม่เบื่อนะไอ้ความอ่า เพลินมันเป็นยังไงนะทั้งที่ยังไม่เพลินแต่มาคิดก่อนนี่เป็นธรรมวิจารเป็นสมุทยัยแต่ธรรมวิจยะเป็นนิโรดคือไฟดับพราะมันสัมผัสได้จริงแล้วเห็นการเกิดการดับจริงๆในขณะนั้นเห็นความหนักมันเกิดขึ้นจริงๆพอเปลี่ยนปั๊บไปเห็นความหนักมันหายดับไปจริงๆเห็นลักษณะอย่างนี้เห็นความคิดมันเข้ามาจริงๆพอเรารู้สึกตัวชัด ๆ, ๆเห็นความคิดมันออกไปจริงๆลักษณะนี้เป็นธรรมวิจยัย เท่า น, นั้นถ้าจะว่าไปก็รู้ชัดเราก็รู้พร้อมก็รู้ตามเป็นจริงคือธรรมวิจย ะ, ะแทนที่เราจะใช้คำว่าศึกษาเนี่ยมันเสียงนะศึกษาบางทีเป็นเรื่องกึ้นนึกคิดแต่ใจองพิจารณาแต่คําว่ารู้ตามความเป็นจริงหมายถึงธรรมวิจยะขณะที่มันเกิดขึ้นจริงๆถ้าจะว่ารู้ชัดรู้พร้อมรู้ตามเป็นจริง อย่างี้าปลอดภัยแทนที่จะใช้คำว่าศึกษานะนั้นอาการทั้งสามอย่างถ้าหากว่าเราสามารถปรับใช้ได้มันก็สามารถเปลี่ยนกุฎไตรลักษณที่มันเกิดกับรูปเนี่ยให้ไปเป็นตัวปัญญาตัวสินสูญปัญญาเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องผ่านเวทนาทางจิตไม่ต้องรอให้มันเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยก่อนไปเปลี่ยนพอเปลี่ยนขั้นตอนนั้นเขาทานยากละ พอเปลี่ยนขั้นตอนในรูปเนี่ยก็จะง่ายกว่าแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องชํานาญในเรื่องไอ้สามตัวเนี่ยรู้ชัดรู้พร้อมแล้วรู้ต่างเป็นจริงประนด้นก็จะฝึกไอ้สามตัวนี้ให้ชํานาญด้วยก่อนซ้อมอย่างนั้นนะรู้ชัดก็ต้องตรหนักรู้ถึงอันตรายของมันด้วยว่าเพ่งหรือเปล่านะเพราะรู้ชัดมันจะพ่าจะเผลอเพ่งใช่ไหมคือแต่ละตัวมัน ม, นมีคุณก็มีโทษในตัวมันแหละ แล้วเราทำไม่ถูกอ่ะรู้ชัดเผลอเพ่งปั๊บมันกลายเป็นตัวอะไรตันหาละอะรู้พร้อมถ้าเผลอเพ่งปับ๊บมันกลายเป็นตัวปฏิฆะละรู้ตามเป็นจริงถ้าเผลอปั๊บมันกลายเป็นรู้แบบธรรมวิจารณ์ละอยงเงี้ยเห็นไหมมันมันก็มีความเสี่ยงในตัวของมันเพราะนั้นเราก็พยายามซักซ้อมหลายๆครั้งเออชัดแบบนี้แบบไหนชัดแบบสบายๆหรือเปล่าไม่มี ตัวอยากอยู่ในนั้นชัดแบบนี้ชัดตามความเป็นจริงรู้พร้อมล่ะรู้พร้อมก็รู้ชัดต่างกันไงรู้ชัดหมายถึงรู้เป็นจุดๆเราหยิบตรงนี้มันก็รู้ชัดตรงว่ามือได้หยิบเท่านี้แต่อาจจะไม่รับรู้ถึงโคงสร้างทั้งหมดของความรู้สึกแต่รู้พร้อมหมายเขาว่า เ, ออเห็นอาการจับนี่ชัดด้วยแล้วก็สื่อความความชัดของร่างกายทั้งหมดโดวยว่าออมันเจ็บตรงนัน้นมันปวดตรงนัน้นมันขัดตรงนัน้นมันตึงตรงนี้เยอนตรงนี้ เห็นทั้งหมดแต่พราะคนใหม่ที่ยังประสบการณ์ น, น้อยเนี่ยถ้าจะเอาอะไรจิบก็จะมุ่งไปทนั้นทั้งหมดใช่ไหมมันมันจะมาแบ่งรู้ทั้งกายนี้ก็ไม่พอเพราะชำนาญยังความประสบการณ์ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ชํานาญเพราะนั้นในในวันนี้ลองลอ ง, ลองศึกษาเรื่องนี้ให้ดีแล้วขั้นตอนตรงไหนมันเกิดความสับสนหรือผิดพลาดก็ต้องได้คุยกันเป็นระยะระยะไป ก็มันก็ยังในบทเรียนเดิมนะ่ะคือเจ้าตัวเผลอตัวเพลินก็ยังเป็นต้นต่อของปัญหาอยู่ดีนะเราจะไปขั้นตอนไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราสามารถทําความรู้ชัดรูพร้อมให้ให้เด่นชัดขึ้นมาีต่ตัวเผลอตัวเพลินก็จะอ่อนตัวลงไปห่างไปอันนี้คือคือต้นต่อที่จะต้องทํานั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการปรับบ่อย เพราะว่าอะไรเพราะบางทีตัวอินซีของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่อิซีอ่อนนั่งแป๊บเดียวเดี๋ยวกปวดละเดี๋ยก็เมื่อยละเดี๋ยก็หนักละคนที่อิ ng, นซีเข้มแข็งเนี่ยบางทีนั่งไปตั้งนาน ม, มันยังไม่รู้สึกหนักเลยเพราะฉะนั้นการปรับการเปลี่ยนก็จะไม่เหมือนกันคนที่อินซีอ่อนร่างกายไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันก็เวทนาเข้ามาบ่อย มันก็รอให้เปลีน่นถ้าสบายก็สบายจนเผลินจนเผลอถ้าหนักก็หนักจนเผลอเราก็ปรับเข้าปรับออกอย่เงี้ยปรับนิดนิดหน่อยไปก่อนจนกระทั่งปรับหลายครั้งต่อหลายครั้งเข้ามันรู้สึกว่าความหนักมันค่อนข้างสั่งสมมันไม่เคลียร์ทั้งหมดนะก็เปลี่ยนอีโบดใหญ่ขั้งหนึ่งเจอแรกก็ใช้อีบนเล็กปรับไปก่อนที่บนเล็กนี่หมายความว่าพอบรรเทามันไม่ได้ออกทั้งหมดหล้วสมมตว่านั่ง อสักสิบท่าเนี่ยแต่ละท่าที่เราปรับโยกซ้ายยกขวาแต่มันก็ยังความหนักมันยังเมื่อออกไม่หมดมันยังเหลืออยู่ปรับบอกร้อยแปออกแค่แค่แปดสิบก็เหลือแค่ยี่สิบสั่งสมกันไปพอนานเข้านานเข้ามันสมสมเหมืนก้อนใหญ่มันก็ต้องเคลียร์กันใหญ่ขั้นก็ลูกเปลี่ยนไปเลยลุกเป็นเดินเดินไปนานๆเข้าห้านาทีสิบนาทีาทขาแขา้งขาก็เริ่มตึงเพราว่าการ ระบายตอนที่เรายกยกเราเหยียบเราแากเนี่ยเหยียบไปยืดขึ้นมาความหนักขึ้นร้อยเปอร์ซนพอยกไปเราเหยียบลงไปมันอาจจะลดไปออกไม่ทันมันออกไปแค่เจ็ดสิบเอร์ซนสามสิบเอร์ซนน้ำหนักของความนะก็ยังค้างอยู่ในขานั่นแหละเนี่ยลักษณะน้ำหนักสั่งสมเนี่ยพอนานเขาน่าเข้าเริ่มปวดหลังปวดไหล่ปว ด, าปวดขาทั้งๆที่ว่าตอนแรกเดินส บ, สบายๆใช่ไหมเนี่ยสังเกตลงไปอย่างเงี้ยหรือ เวลายืนบางครั้งเรก็ฝึกยืนทาําั้งยืนใหม่ๆก็หลังจากเปลี่ยนจากท่านั่งมาเป็นยืนปั๊บก็รู้สึกสบายพอยืนไปสักพักมันเริ่มตึงแล้วเพราะยังยืนกับนั่งก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่น้ําหนักแช่มันนิ่งมันไม่ได้ระบายใช่ไห ม, มก็จะมันระบายในส่วนบุญคือการยกมือสั่งจังกว่ามันไม่ได้ระบายส่วนล่างมันก็ยิ่งเวทนาก็ยิ่งมาไวกว่าการเดินอีก ก็ปรับอีซึ่งลักษณะของการศึกษาแบบเข้าแล็บแบบนี้มันก็จะต้องอมีความรักที่จะทำเรามีความขยันที่จะทาถ้าหากว่าเราทำไปอย่างถูกต้องมัน ก, เก็เกิดความปร่งเบาสบายแล้วก็สนุกในการทำแต่ทแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดตรงใดตรงหนึ่งทำไปปั๊บคําเบื่อความซิ่งความพ่เกียร์ มันก็เริ่มเข้ามาแทนที่เหมือนกันเห็นไหมก็ตั้งค่อยสังเกตว่าเออมันไปผิดขั้นตอนไหนนะแล้วเขตั้งต้นใหม่อขณะที่ทำรีบดแต่และเปลี่ยนแต่และถ้าเราเปลี่ยนไม่พอดีหรือเปล่าหนักไปเบาไปเพราะฉะนั้นต้องดูหลังความปลอดโปร่งเบาสบายไว้เป็นตัวตัดสินอแต่ที่เราทํานี่ไม่ใช่ว่าให้มันปลอดโปร่งเบาสบายต้องอยู่ตลอดนะแต่ว่าแม้ค๊อปเราสัมผัสมันได้เรื่อยๆปรับเราได้สัมผัสเห็นตัว เกณฑ์ของมันว่าเออมันอยู่ในประมาณนี้แหละรู้สึกสบายนะจะยืนจะนั่งจะเดินจะทําอะไรก็รู้สึกสบายแต่ก็ไม่ได้อยู่ในที่เดียวหรืออีโบทเดียวก็ปรับไปเรื่อยๆ เ, เดินอยู่กับที่ซ้ํำๆนานๆแล้วก็รู้ว่าจิตเนี่ยที่ยังไม่คงที่เนี่ยมันมันคือต้องร่างอยู่ได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนที่ให้มันนะก็เดินก้าวหน้าถอยหลังเดินโค้งเดินอ้อมเดินตรงนะก็ปรับไปเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากว่าเราพยายามนี้จนกระทั่งจิตของเราเนี่ยได้สั่งสมตัวรู้จากอินทรียบทต่างๆเก็บเข้ามาเกี่ยวเข้ามามันก็ชัดในตัวของมันพอถึงบทปับ๊บพอถึงจังหวะปั๊บบางทีมก็สงบไปเลยนะเข้สู่ความสงบได้อารมณ์ถ้าหาเรารู้รสัมผัสได้เราทุ่งยิ่ได้อารม์แล้วก็จะดูไปนานๆทําความเพียรได้ยาวถ้าในช่วงไหนที่จิตสงบร่างกายมันผ่อนคลายถึงนงั่งนานก็ไม่รู้สึกปวดอะไร มันก็ทําได้ยาวขึ้นอตัวนี้แต่ถ้าหากว่าจิตคองเราเ ย, ยังไม่สงบเพียงพอร่างกายมันก็ยังไม่ผ่อนคลายเมื่อร่างกายไม่ผ่อนคลายมันก็ทําให้เวทนามาเร็วก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆแต่ถึงจุดผ่อนคลายของมั น, ม, นมันมาเป็นบางช่วงเท่านั้นเองนะบางทีวันมาสักครั้ ง, งสองครั้งก็มบางวันไม่มีเลยก็มีใช่ไหมนี่เคยสังเกตไปมันขึ้นอยู่กับความพอดีที่เราปรับเนี่ย มันพอดีแค่ไหนมันพอดีสั่งสมมันได้มากกว่ามันก็ไปจุดถึงความพอดีของมันก็คือร่างกายผ่อนคลายจิตใจสงบเพราะฉะนั้นการการปรับพอดีมันมีผลต่อให้เกิดการรวมของจิตพอรวมของจิตปั๊บเกิดผ่อนคลายสงบซึ่งบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีบางวันมีนิดเดียวบางวันก็มียาวขึ้นอยู่กับจังหวะ ทั้งหมดทั้งวงนี้เราก็ไปปรารถนาตั้งให้มันเป็นก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะควรจะเป็นแล้วแต่เงื่อนไขปัจจัยแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันเราก็กินมากบางวันกินน้อยบางวันบางคืนนอนหลับสนิทบางคืนนอนหลับไม่สนิทอะไรพวกนี้ยตัวนี้เป็นสาเหตุมันก็ประมูลกันมาซึ่งเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถจะควบทุมให้ไปตามที่เราต้องการเลยแต่เราก็มาปรับเท่าที่เราปรับได้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากสําหรับคนทั่วไปที่มี ความอยากเป็นพื้นฐานเนี่ยคืออยากจะเห็นผลได้เร็วได้ชัดได้บ่อยซึ่งตัวนั้นจะกลับเป็นอุปสรรคแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ความอยากแต่ใช้ศึการศึกษาด้ศึกษาตามเหตุปัจจัยไอ้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมันแต่เราทำปรับเหตุปัจจัยมันถูกมันก็ค่อยๆสั่งสมงมันไปดังนั้นในเรื่องของการปฏิบัติ <c oughs> ในวันนี้นะ ก็ลองไปดูว่าเออเราทำชัดๆแบบผ่อนคลายเนี่ยจะได้ยาวแค่ไหนทั้งกายทั้งใจนะแล้วตัวชัดจก็ต่อไปสู่ความพร้อมตั้งแต่หัวจนเท้าได้เห็นรายละเอียดความจริงตัวรู้ชัดรู้พร้อมกับตัวรู้ตามเป็นจริงเนี่ยมันน่าจะทำงานร่วมกันได้ใช่สองตัวเนี่ยเพราะตัวเป็นองค์ประกอบของปัญญาทั้งรู้พร้อมและรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะ มันก็เป็นองค์ประกอบของปัญญานั่นก็น่าจะทําร่วมกันได้ถ้าเห็นตัวรู้พร้อมชัดมันก็จะเป็นเห็นรายละเอียดของมันเองแต่ว่าที่แยกออกมาเป็นรู้รายละเอียดเพราะว่าบางทีรู้พร้อมแล้วมันก็ไม่ได้แก้ไขเป็นองค์ของสัมปชัญญะแต่รู้ตามความเป็นจริงที่เป็นปัญญามันรู้แล้วมันแก้ด้วยอ่าตัวนี้ที่มันต่างไปจากสัมปชัญญะบางอย่างรู้แล้วก็ไม่ต้องแก้บางอย่างรู้แล้วต้องแก้อย่างความคิดเนี่ยรู้ เข้ามารู้พอรู้มันก็หายไปแต่กรณีบางความคิดเนี่ยเข้ามาเข้ามาแล้วมันตามรู้เรามันก็ไม่หายใช่ไหมมันก็คิดของมันไปเรื่อยๆลักษณะเนี้ยต้องใช้การศึกษาละขบวนการที่จะเข้ามาใช้ตรงเนี้ยในกรณีที่มันมันมันไม่พอดีมันเกิดว่าก็ดับมันเกิดความคิดหนึ่งก็ดับไปโอเคเกิดแล้วก็ดับตามทางอันี่มันเกิดแล้วไม่ยอมดับ ความคิดเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องพี่เรื่องน้องนี่ อ, อะไรก็มามันิคิดต่อมันไม่ยอมดับตรงนี้ต้องสังเกตลงไปในรูปนามให้ชัดขึ้นกว่าเดิมละเพื่อที่จะเล่งกําลังของสติสมิญะพอสติสมิญญชัดตัวความคิดซึ่งเป็นนามอารูปเนี่ยมันก็ต้อดับเหมือนก็แสงสว่างถ้ามันน้อยเงมันก็หนานแน่นมืดอยูใช่ไหมทีนี้มันก็ดูอะไรไม่ชัดเอาเล่งไฟอีกหน่อยนึง แต่สวิตตัวนี้เขาประเภทที่มหมุนขึ้นแล้วก็ปิดแล้วก็หมุนเล่งได้โดยที่ไม่ต้องกดพอกแป๊กนะมันมีการเล่งมันรู้มันต่งางยังไงมันอราคามันต่างกับสวิตธรรมดานี่หรือเปล่าต่างไหมแพงกว่าไหมถ้าหมุน ล, ลงเนี่ยไฟมันปิดใช่ไหมถ้าหมุนขึ้นไฟมันเล่งตาม น, าน่าจะแพงกว่านะอืม ใช่ไหมถ้าถ้ามันราคามันเท่ากับพวกนี้เขาก็ใช้พวกนั้นน่นดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมันคงจะแพงกว่าปรับแส้นอ่าปรับแส้นได้รับามืดโดยที่ไม่ต้องอันนี้เปิดก็ร้อยหนึ่งดับก็ศูนย์เบเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้สามารถปรับหนึ่งถึงร้อยได้จะอยู่ในระดับไหนเนี่ยอันนี้เหมือนกันการปรับความรู้สึกตัวได้ที่มันอ่า สูงต่ำชัดมากชัดน้อยได้นี่นะมันคงจะทำยากหน่อยถ้าเหมือนสวิสเฟยโดนราคาแพงมันทำยากเพราะฉะนั้นอันนี้มาก็ต้องดูรูปทำนามทำใส่กันแล้วมันจะง่ายขึ้นในการแก้ปัญหา <c oughs> ถ้าหากว่าการรู้รูปทำนำทำก็เพื่อที่จะโยงแก้ปัญหาบางทีดูในานมามทำมันแก้ยาก ถ้าเป็นลูกธรรมคนจะเป็นอย่างไรลูกธรรมนามธรรมในคําพูดของพคตเฮียนเนี่ยสั้นสั้นแต่ว่ามั น, ม, นมันอมความหมายอะไรลึกซึ้งมากสั้นเพราะนั้นหลักสูตรนะท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มากมายหลอกแต่ว่ามันกินความลึกลูกธรรมนามธรรมลูกโลกนามโลกมันอมนความเรื่ลูกทุกนามทุกอมความเรือันนีจังทุกครั้งน่าตาไปหมดเลยแต่ใช้คําว่าลูกโลกนามโลกเท่านั้นเองไม่ใช่โลก โรลิงนะโรคโรเรือนะและโลกที่มันเป็นไตลักก็อีแบบหนึ่งโลกที่มันเป็นวิบากก็อีกแบบหนึ่งแต่การที่เราจัดการไตลักไม่ถูกต้องมันกลายเป็นวิบากนะมันก็จะเป็นโลกวิบากละแต่ถ้าโลกกรรมคือการกระทาไม่พอดีก็ปรับให้ไตลักก็จบนะฮโลูกๆนโล ก, โล ก, โลกแล้วก็อา่า นามรูปนามรูปรูปนามนามรูปอะไรของเนี้ยเป็นคําสั้นๆนามรูปหมายถึงตั้งแต่ฝ่ายดีนามรูปเนี้มันพร้อมที่จะเป็นฝ่นายกุศลกับอกุศลก็ได้ขึ้นอยู่นามรูปปรากฏเนี้ยสติทันไหมถ้าสิตมสติมาไม่ทันมันก็พัฒนาเป็นอกุศลไปนามรูปสติมาทันมันก็กลายเป็นเจตสิกเป็นสติสมาธิปัญญา ไปในทางที่เรียกว่าเป็นปัญญาได้น้ํามรูปนั้นแต่ท่านเรียกที่ว่าเจตสิกนั่นเองเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้เราก็พยายามศึกษาในทุกกิจกรรมนะไม่ใช่รอที่จะมานั่งปฏิบัติแล้วศึกษาทีกรรเวลาไปรับอาหารไปเข้าห้องน้ําเห็นอาการหนักเบาที่เราไม่ต้องรีบอะ่ะแต่ว่าศึกษาไปเรื่อยๆเพราะนั้นในช่วงปฏิบัติเราถึงไม่มีอะไรต้องรีบเร่งเ่ย แต่ก็ไม่ถึงกับช้าเกินไปนะแต่ ว, ว่าให้พอดีให้พอพอพ อ, พอมันให้เห็นขบวนการการเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องชัดเกินไปนะชัดเกินไปนอกจากมันจะกลิ้งจะช้าแล้วก็ยังทํ า, าทให้ร่างกายผิดปกติได้นะเพราะฉะนั้นในวันนี้พอจับหลักอันนี้ได้แล้วลองดูแล้วก็การอยู่ข้างในปฏิบัติอยู่ข้างในนี่จะโฟกัสได้ง่ายกว่าการไปข้างนอกนะ นอกอากาศมันแปรปรวนแล้วก็วิสัยจากขุวิสัยมันไปไกลเกินไปก็อยู่ข้างในแต่ว่าเพียงแต่เรารักษาความสงบแต่ว่าเสี่ยงต่อการพูดคุยกันง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถป้องกันตรงนั้นได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เวยได้เยอะนี่เป็นความเคยชินต้องลงเข้าใจนะบนุริยชาวนี้นะก็ขออนุโมทนา